บทคัดย่อพระตรายปิฎกคือคำภีที่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมวินัยสถิตอยู่คำว่าติปิตกะในภาษาบาลีแปล ว, ว่าตกะราสามใบในวงเล็บที่บรรจุคำสอนหมายถึงหลักคำสอนหมวดใหญ่สามหมวดเนื่องจากพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า พระธรรมวินัยจะเป็นสัสดาแทนพระองค์ภายหลังที่พระองค์ล่วงลับไปแล้วพระไตรปิฎกจึงเป็นที่ที่ชาวพุทธยังสามารถเข้าเฝ้าพระสัสดาของตนและศึกษาพระปริยติศาสตร์แม้พระองค์จะเสด็จป ร, ริณิพานไปกว่า2500ปีแล้วก็ตามการสังคายนาครั้งแรกซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมและจัดหมวดหมู่พุทธพจน์ ได้จัดขึ้นภายหลังจากพุทธปรินิพานสามเดือนเนื่องจากเป็นการดำเนินการโดยที่ประชุมพระอรหันตเทระห้าร้อองค์การสังคยนาครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาฝ่ายเทราวาท ด, ดังที่เรารู้จักกันในปัจจุบันในระหว่างการสังคยนาเมื่อมีการลงมติยอมรับคำสอนส่วนใดแล้วที่ประชุมก็จะสวดพร้อมๆกัน เนื้อหาที่สวดนี้จึงถือเป็นการรับรองว่าให้ใช้เป็นแบบแผนที่จะต้องทรงจำชนิดคำต่อคำเพื่อถ่ายทอดแก่ผู้อื่นและสืบทอดแก่อนุชนคำสอนดังที่สืบทอดกันมาด้วยปากเปล่าเช่นนี้ได้จ่ารึกเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งแรกในคราวสังคายนาครั้งที่สที่จัดขึ้นในประเทศศรีลังกา เมื่อราวปีพุทธศกราช460หลังจากเวลาผ่านไป 2,500 ปีและภายหลังการสังคยนาครั้งสำคัญ6ครั้งพระไตรปิฎกบาลีของพระพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาดเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นบันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดดั้งเดิมที่สุดสมบูรณ์ที่สุดและถูกต้องแม่นยาที่สุด ที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันในฐานะที่เป็นแหล่งอ้างอิงขั้นสุดท้ายสูงสุดพระไตรยปิฎกใช้เป็นมาตรฐานหรือเกณฑ์ตัดสินว่าคําสอนหรือวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นของพระพุทธศาสนาจริงหรือไม่ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของชาวพุทธทุกคนที่จะรักษาปกป้องพระไตรปิฎก ซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดต่อการอยู่รอดของพระพุทธศาสนาและดังนั้นจึงหมายถึงต่อประโยชน์สุขของชาวโลกด้วยหนังสือเล่มนี้จะบรรยายเรื่องราวทั่วไปเกี่ยวกับพระไตรปิฎกด้วยการกล่าวถึงปัญหาสําคัญสําคัญเช่นพระไตรปิฎกคืออะไรทําไมจึงมีความสําคัญมากการสังคายนาคืออะไรและดําเนินการอย่างไร พระไตรปิฎกมีการรักษาสืบทอดมาถึงเราได้อย่างไรมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับโลกยุคปัจจุบันอย่างไรนอกจากนี้ยังได้สรุปสาระโดยย่อของพระไตรปิฎกพร้อมทั้งกล่าวถึงคำพีประกอบอีกด้วย